พระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงสัตดิรฉานคำว่าปรงชีวิตได้แก่ตัดทำลายชีวิตินทรีสีตัดความสื่อต่อต้องอบัตปาจิตตี